เดี๋ยวนี้ฟังเทศนะเครื่องพุ่นแรงเยอะเลยทำไมหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารนยะ์ต้องจํเอามาฟังเสร็จแล้วก็แอบมาโน้ตโน้นเลยุณนดําเกิงมาก่อนเชิญเลย มันคล้ายๆบอกมือขวาล้างมือซ้ายมือซ้ายล้างมือขวาช่วยกันแต่สมาธิที่เกื้อกูลกับวิปัสสนาก็าต้องสมาธิส่วนใหญ่ที่เขาทำกันมันจะเป็นมิจฉาสมาธิาาาาโอบตัวขัดขวางยิ่งขัดขวางหนักขว้าอีกเช่นนั่งแล้วเคลิมนั่งแล้วเคลิมนั่งแล้วเห็นอันโ น, น้นเห็นอันนี้ชอบนั่งกันมากเลย เห็นผีเห็นเทวดารู้วาระจิตอะไรต่ออะไรนี่โอ้เรื่อง เ, ห, เลงหลวร้นานเ่ยมันจะออกข้างนอกหมดยิ่งฝึกไปก็มาน้าอัตตาก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆจิวอย่างเงี้เราไปเพ่งมันทาไมล่ะ ดีรู้ก็ดีคือสมาธิกับการเจริญปัญญามันเกือ้อกูลกันอย่างเวลาเรามีสติถ้าสติที่แท้จริงสัมมาสติเนี่ยพอมันระลึกรู้สภาวะธรรมรู้กายรู้ใจรู้รูป ร, ร, รู้นามอะไรก็าตามอย่างความโกรธพู่งขึ้นมาสติระลึกรู้ปั๊บเนี่ยถ้าสติเกิดเองนะ สมัมมาสติเกิดเองจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นขึ้นมานี่ไม่ว่าเราจะเดินเริ่มต้นด้วยสมถยาินิยังคุณดําเกิงทําฌานหรือจะเริ่มจากวิปัสสนาญาณิตอนที่จะมาเดินวิปัสสนาแท้ๆที่อยู่ข้างนอกเนี่ยคือเราจะออกจากฌานมาพอออกจากฌานมาแล้วเราก็จะรู้สึกได้เลยว่าจิตขณะนี้กับตอนที่อยู่ในฌานยียไม่เหมือนกัน มีความเปลี่ยนแปลงถัดจากนั้นเราก็มีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆตรงนี้จะไปบรรจบกับพวกที่เดินมาทางวิปัสสนาญาณิคือถ้าถ้าเดินเข้ามาตรงจุดนี้ไม่ได้เนี่ยจะต้องมีปัญหามากส่วนมากจะหลุดไปกลัมาโลกเลยเราเปิดมาได้นทีเมาที่ฐานไม่ค่อยดีดังนั้นท่านทำเดินวิปัสนามาตอนหลังก็ธรรมทานก็ขึ้น มันมันได้ขึ้นมาคือยิ่งถ้าเราเดินมาด้วยการทำวิปัสสนาด้วยการดูจิตเนี่ยมันจะได้สมถชาตแถมมาเพราะอย่างถ้าเรารู้กายรู้ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยรู้อิริยาบถสี่จะไม่มีสมถชาแทรกยกเว้นแต่ว่าหลงไปเพ่งเอาถ้าเพ่งเลยกายเป็นกสินถ้ามีคณิกกาย แต่ถ้าเป็นดูเวทนาเนี่ยก็จะไม่มีสมถะยกเว้นแต่ไปเพ่งเวทนาแต่จิตเนี่ยมันมีจิตอยู่สองดวงความจริงมีสี่ดวงจิตสามารถดูให้เป็นสมถะก็ได้เป็นวิปัสสนาก็ได้เพราะฉั้นอย่างเราถ้าเราเฝ้ารู้อยู่ที่จิตเราเนี่ยบาครั้งจิตไปรู้ความว่างเราไปดูจิตที่ว่างมันจะพลิกไปเป็นสมถะ จะเได้แช่อยู่ในความว่างหรือแช่อยู่ในความไม่มีอะไรมีสองดวงเพราะฉะนั้นอย่างคุณดําเกิงชํานาญทางสมาธิเนี่จะพบจิตสองดวงนี้ดวงหนึ่งคืออากาสานัญยตนะช่องว่างดูลงในช่องว่างอีกดวงหนึ่งคืออากิจัญญยตนะความไม่มีอะไรมีสองดวง งั้นอย่างหลวงปู่ตูลท่านจะสอนบอกว่าถ้าเราดูจิตเนี่ยจะได้ฌานอัตโนมัตินแต่บางคนก็ไม่เอาตรงนี้ ก, ก็ไม่ได้ก็มีที่ท่านไม่เอาเลยก็มีท่านก็ดูอยู่ข้างนอกนี้ท่านไม่เข้าข้างในไม่ดูเข้าข้างในนี่ดูเข้าข้างในเนี่ยความเฉี่ยงสูงส่วนมากกลงเป็นนอนแช่ความว่างอยู่ เป็นสบายแล้วก็ถ้าว่ามัตรฐาที่กลังจเรนี่นะคทีนี้การที่จะโยกข้างขั้นไปดูว่ารูดเดียวไปถึงอนาคามีหรืะรอันนี้มัตรฐาที่กำลังจรนนี่กัไม่ต้องอะไรว่าแล้วก็แต่ว่าก็จะต้องตัดผ่านเป็นขั้นว่าใช่ใชใช่ๆช ต้องตัดเองใช่คือมันจะไม่โดดไม่โดดข้ามตัดเป็ดตามลำดับแล้ตัดเดี๋ยวอยู่อยู่นานๆหลายปีก็ได้เพราะว่าการดำเนินมรรคขั้นต้นกับมรรคขั้นสุดท้ายเนี่ยวิธีมันเหมือนกัน วิธีจริงๆก็คือการตามรู้กายตามรู้ใจคือการตามรู้กายตามรู้ใจเบื้องต้นเนี้ยเราเรียนเพื่อให้เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรานะอย่ณะเราตามรู้กายไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าเราบังคับกายไม่ได้ร่างกายเนี้ยถูกความทุกข์บิบคั้นต้องเคลื่อนไหวไปตลอดเวลาเดี๋ยวพลิกซ้ายเดี๋ยวพลิกขวารูปไม่เที่ยงหรอกเพราะรูปถูกความทุกข์บิบคั้น นี่นา ม, มาทําจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเราจะเห็นว่าบังคับไม่ได้พอเราเห็นว่าทั้งรูปทั้งนามบังคับไม่ได้เนี่ยสติญาติถิมจะขาดหลังจากนั้นการเจริญสติของเราเนี่ยพอเรารู้สึกตัวปุ๊บจิตจะถอดถอนตัวเองออกจากความปรุงแต่งเวลาเราเผลอจิตก็จะแอบไปปรุงแต่งนี่พอรู้สึกตัวปับ๊บก็หลุดออกจากความปรุงแต่งหลุดขึ้นมาหลุดขึ้นม า, นะาค่อยๆถอดถอนขึ้น แสร็จแลก็จะเห็นแจ้งลงไปกายกระใจกายกระใจเนี่ยเป็นตัวทุกข์จริงๆเป็นก้อนทุกข์จริงๆคือศาสนาพุทธเนี่ยสอนบอกว่าทุกข์ให้รู้แล้วท่านก็บอกว่าอุปาทานขันกายกระใจเนี่ยตัวทุกข์เราฟังเหมือนง่ายโอ้ยากมากยากมากเลยที่จะเห็นกายกระใจเป็นก้อนทุกข์มันทุกข์โดยการคิดเอา แต่ถ้าเราตามรู้ลงไปเรื่อยๆไปแต่จะมีความรู้สึกขึ้นในใจมันเหมือนว่าเราต้องแบกภาระที่หนักมากต้องคอยดูแลเป็นภาระมากเลยความรักกายรักใจเนี่ยค่อยๆลดลงลดลงแต่เดิมเรารักมากเราห่วงแหนมากเราว่าของดีเราพยายามหาสิ่งดีๆมาป้อนให้มันตลอดเวลาอย่างหา อาหารอร่อยอร่อยอาหารดีๆหาวิตามินหาอะไรมาเลี้ยงมันเลี้ยงก็ด้วยความรักมากเลยร่างกายเนี่ยเลี้ยงไปเลี้ยงไปล้วความรู้ไปเรื่อยเราเลี้ยงไม่เชื่องนะทําความทุกข์ให้ตลอดเวลาเลยสร้างภาระให้ตลอดเวลามาทางจิตใจล่ะหาสิ่งอารมณ์ที่สบายมาให้จิตใจนะั้นเพื่อว่ามันจะมีความสุขแต่มันก็มีแป๊บเดียวเนี่ยทุอีกแล้วอย่างสมมุติว่าอย่างโยนี่หนุ่มๆเนี่ยอยากมีแฟน คิดว่าถ้ามีแฟนแล้วจะมีความสุขพอมีแฟนแล้วมันไม่สุขละมันต้องมีเมียมถึงจะมีความสุขพอาได้แต่งงานมีความสุขสุขไม่กี่วันมันชักเฉยๆแล้วพออยู่หลายๆปีเมียเหมือนโต๊ะเหมือนตู้อี้ตัวหนึ่งในบ้านต้องมีอย่างอื่นถึงจะมีความสุขในอุตส่าห์เที่ยวหาหาหาน่ะจิตใจเนี่ยติ้นตลอดเลยเพื่อจะหาความสุขนะคือหารูปที่ดีหาเสียงที่ดี หากลิ่นรถสผดผลาหาธรรมารมณ์ที่ดีมาป้อนให้จิตเพื่อจะให้มันมีความสุขแต่ปรากฏว่ามันไม่มีความสุขจริงแล้วมันก็คันๆของมันอย่างนี้นะดิ้นไปด้วยนะไม่อิ่มนี่ยก็ไม่จะหยุดเลยแล้วพอเห็นมาถึงตรงนี้นะโอ้โหจิตนี่ตัวร้ายเลี้ยงไม่เชื่อมเนี่อย่างนี้ถ้าเห็นกายเห็นจิตถึงอย่างนี้นะถึงเรียกว่าเห็นทุกข์จริงๆรพอเห็นอย่างเนี้ยจิตจะพลิกตัวเองไปสลัดตัวเองออกไปออกจากขันแล้ อาศัยขันอยู่นะแต่มันถอดออกจากขันไไอ้้ัมตนนีก็ยงท่ดคือถ้าลำพังเห็นลำพังเห็นว่ากายกระใจนี่ยไม่ใช่ตัวเราเนี่ยละความเห็นผิดได้ละทิฏฐิดได้ตัวฝาทานขันนี่ต้องเห็นตัวทุกข์จริงๆเยเห็นกายกระใจนี่เป็นตัวทุกข์จริงๆนะเห็นทุกข์ขัดแย้แจ่มแจ้งสมูทยัยนี้ถุกละอย่างตอนนี้เราแค่ดูว่า ไม่ใช่ตัวเราจริงๆนะแต่มันยึดเอาไว้ไม่ใช่ของเราแต่อยากได้เพราะว่ามันให้ความสุขกับเราแม้ร่างกายให้ความสุขใช่ไหมจิตใจให้ความสุขเรารู้สึกอยู่อย่างนี้ร่างกายดีๆเราให้ความสุขเยอะเพรนั้นต้องหวงจิตใจก็หาความสุขมาป้อนให้มันแลแ้วแหมมันอิ่มเอิบแต่ว่าพอเราเจริญสติมากตามรู้ไปเรื่อยนะพวกกายก็ทําความทุกข์มาให้ใจก็นําความทุกข์มาให้มีแต่ภาระทั้งหมดเลยท่านถึงสอนว่าขันทั้งห้าเป็นภาระ ขันทั้งห้าเป็นของหนักหนักจริงๆนะถ้าเห็นขันห้าเป็นของหนักเนั่นจิตถึงจะวางอุปาทานเขาวางเขาเองนะเขาพลิกตัวหลุดออกไปได้เองเนื่องการปฏิบัติมันก็ทําอย่างเก่าตามรู้กายตามรู้ใจแต่ความรู้ความเข้าใจเนี่นจะเปลี่ยนเดี๋ยอย่างเราตามรู้กายตามรู้ใจทีนั่นอย่างตามรู้กายว่าเป็นทุกข์ความทุกข์บีบคั้นดูกายเรื่อยเรืยทุกข์ เวลาที่มันแจ่มแจ้งธรรมะมันอาจจะไปเห็นอนิจจังหรือเห็นอนัตตาก็ได้ไม่แน่หรอกหรือตามดูจิตเห็นจิตเกิดดับเกิดดับนี่จิตไม่เที่ยงเวลาธรร ม, มะแจ่มแจ้งมันจะไปเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราก็ได้เราเลือกไม่ได้ว่าจิตมันจะไปเข้ามุมไหนช่องไหนเพรมีช่องอยู่สามช่องที่จะเข้ า, ขข า, ากาาากาาาาารรเเ่่่มวออนนจจแล้ัททีํงได้ อ้ําต้องทิ้งลมเลลมเป็นแค่เหยื่อล่อเป็นเหยื่อตกปลานี่อย่างเราหายใจไปหายใจไปถ้าไปกําหนดลม้ามันก็เป็นสมถะนี้สมถะตอนที่จะเข้าไปถึงอัปนาเนี่ยมันไมได้จับตัวลมจริงๆแล้วมันไปจับนิมิตลมเยเราจับนิมิตลมแล้วเนี่ยเกิดตีติดเกิดสุขขึ้นมางันลําพังจับตัวลมอยู่เนี่ย ยังไม่เข้ า, า, าปัญหาบริกรม ร, กรมแล้วเวลาเขามาจากที่ใจนี่จะคือข้าใช่คืออย่างถ้ารู้การกระทบด้วยกายเนี่ยมันเป็นบริกรรมเนี่ยถ้ารู้ได้ใจเป็นอุคฮาปฏิภาณเป็นเสถียร น, น, นิมิตเรารู้นิมิตลมแทนแต่เดิมอย่างลมเนี่ยเรารู้ได้ใจมันก็ยังสภาวะเหมือนกับลมธรรมดานี้ แต่ตาเป็นาติภาพมันเหมือนเป็นแสงเป็นเกลียวเป็นวิ่งไหลขึ้นไหลลงเป็นแสงสว่างอขยายให้ยยใหญ่ให้เล็กไดกไไ้ก็แยกกันตรงนี้ทำฌานจิตก่อนแล้วก็อธิษฐานเอาแต่ว่าจะไปทำอะไรคุณมันทำไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันในเวลาเพราะเอาไว้ทำตอนที่ไม่มีพระพุทธเจ้า ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าเวลาที่มีพระพุทธเจ้ามีน้อยทำอะไรอืม mm. จิตมันแบบไปทำอะไร mm. เมื่อกี้เนี้ยโย mm. <c oughs> คือเราไปคิดว่าการปฏิบัติคือการต้องทำเนี้ยเป็นจุดที่ทำความบาดเจ็บให้ส า, าระกัรเลยการปฏิบัติคือการต้องทำเนี่ยนะ ก็าทาไม่เลิกหรอก<ำ>อะไรนะ ม, มันอยากทําใช่เพราะมันใจไม่ถึงมันใจไม่ถึงไม่กล้าไม่ทํากลัวไม่ได้ปฏิบัติกลัวมากงั้นต้องทําเราไม่รู้ว่าการทํนานักก้นกั้นเอาไว้ทำวิปัสสนาจริงๆไม่ใช่ทําอะไรนะทําอะไรนี่ต้องทํามสมถะวิปัสสนาคือการตามรู้กายตามรู้ใจตามที่เขาเป็น ตามที่เขาเป็นคือร่างกายเขาก็ทํางานของเขาจิตใจเขาก็ทํางานของเขาเรามีหน้าที่ตามรู้ตามดูไปไม่ใช่ทําเองนี่ทําเองอีกแล้วรู้สึกไหมเมื่อเราทําเองเนี่ยถ้าไปทําตามเจตนาที่ดีก็เป็นกุศลกรรมเห็นการกระทำคือเป็นกุศลกรรมถ้าทําตามเจตนาไม่ดีก็เป็นอกุศลกรรมพ้นกรรมไม่ได้นะ หน้าที่เราไม่ใช่ไปทําในหน้าที่เรารู้ทันใจที่มันแอบไปทําถ้าเมื่อไร่ใจมันแอบไปทํางานแล้วเรารู้ทันนะความปรุงแต่งนั้นจะขาดไปเลยดูออกไหมอย่างเมื่อกี้หนีออกไปสังเกตพอรู้ทันเมื่อออกไปสังเกตการสังเกตขาดเลยคําว่าพบพบไม่ใช่พบอะไรคําว่าพบพอลเพาพอผ่านะพบคือการกระทำํำการกระทําของใจ เรียกว่ากรรมภพมีตัณหาเป็นแรงผลักสักๆไปแล้วมันมีอุปาทานนี้ไมมันรักมันหวงแหนจิตใจนี้มากเลยอยากให้จิตใจนี่ดีมันก็เลยพาจิตใจนี่ทำกรรมฐานใหญ่เลยห้สร้างภพอุตรุดเลยเออมันทาตลอดเวลาแต่โยรู้ทันที่เขาทำนะคนที่ไม่ได้ปฏิบัตินะี่จิตก็ทาตลอดเวลา แต่ไม่เคยเห็นจิตแอบไปทํางานเลยเจ้าของไม่เห็นเนี่ยเพราะงั้นถูกมันลากไปขึ้นสวรรค์ลงนรกอะไรไปเรื่อยๆถูกมันลากไปเรื่อยๆนี่ผู้ปฏิบัติปางกับชาวบ้านทั่วไปนิดเดียวเองะคือจิตแอบไปทําอะไรรู้ทันมันเนี่ยมันแอบไปทํานะรู้ไหม <c oughs> คือพระสติปัญญารู้ทันเนี่ยตัดปัญญามันตัดขาดขนาดนั้น่ะ พอขาดเนี่ยแต่ว่าเชื้อมันยังอยู่นะอนุสัยอาสวาอะไรยังอยู่เดี๋ยวก็ทํางานขึ้นมาอีกทํางานอีกก็รู้อีกก็ขาดอีกนะกําลังของอนุสัยใสค่อยๆ อ, อ, อ่อนกําลังลงเพราะมันออกไปหากินไม่ได้นี้พรเราเฝ้ารู้ไปรู้ไปนะตอนนี้เรานึกว่าจิตภาหันเป็นไงนึกไม่ออกใช่ไหมลองเทียบเคียงดูนะจะรู้สึกเลยว่ามันมีความสุขแค่ไหน ถ้าคนไหนเห็นว่าจิ ต, ตเองแอบทำงานแล้วก็ลองนึกดูสิถ้าจิตไม่แอบทำงานนี่จะมีความสุขขนาดไหนจิตที่ไม่ไปทำงานเรียกกริยาจิตเห็นไหมจิตตองเราออกไปทําลงไปทำอะในเจ้าของไม่เห็นห้ามไม่ได้จะทำเพราะอะไรเชื้อมันยังอยู่นะดูไฟหน้ารู้ทันความปรุงแต่งไม่ใช่นั่งปรุงแต่งซะเองเอา้าใจลอยไปนะ ใจลอยรู้ว่าใจลอยอา้าวเผลอไปละรู้สึกตัวขึ้นมาห้ามเผลอห้ามเผลอนานเผลอได้แต่ห้ามเผลอนานที่ต้องอนุญาตให้เผลอเพราะจิตมันจะเผลอห้ามมันไม่ได้อา้าวคุณมลเป็นไงบ้างอ้อนุโมทนานะถ้ามันดีทุกฟันเนื้ออาการหมักเลย แสดงว่ามันเที่ยมนะเออรู้ทันความอยากนะคือการปฏิบัติเนี่ยเบื้องต้นเราหัดดูโน่นดูนี่ไปนะแต่ว่าพอกระทบอารมณ์แล้วต่อไปเราค่อยๆสังเกตดูเบื้องหลังพฤติกรรมทั้งหลายเนี่ยก็คือความอยากถ้าเราดูเข้ามาจนถึงตัวความอยากเนี่นะอพฤติกรรมนั้นจะขาดยกตัวอย่างอย่างโกรธขับรถมาเขาปาดหน้าแล้วโกรธเั็นความโกรธพุ่งขึ้นมา เราไปดูมันเอ๊ะเมื่อไหร่จะอยากเมื่อไหร่จะหายโกรธอยากให้หายโกรธไม่หายหรอกนะเพราะเติมโทสะลงไปอีกเติมความไม่ชอบความโกรธลงไปอีกแต่พอ ร, รู้ทันว่าเออกาลังอยากหายโกรธนะดูเข้ามาถึงตรงนี้ตัวตัวอื่นจะหลุดไปหมดเลยงั้นเห็นความอยากก็ดีแล้วนะทําอะไรไม่ได้หรอกนะใครก็ทําอะไรมันไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตา ฮนะโกรธจนจบแล้วใครรู้เหรอรอะไรเงี้งยก็เราไม่พูดถึงความน่าจะเป็นแล้วพูดถึงสิ่งที่เป็นจริงๆเออโกรธก็รู้ว่าโกรธแต่แต่ว่าขณะที่โกรธเนี้ยรู้ว่าโกรธไม่ได้นะถ้ารู้ว่าโกรธแล้วจะไม่โกรธแต่ถ้าแกล้งรู้เนี้ยยังโกรธอยู่ สติที่แกล้งทําขึ้นมาไม่ใช่สติตัวจริงเป็นสติที่เจือด้วยปัญหาไม่ใช่ของจริงอ่ะแต่ถ้ากําลังโกรธอยู่แล้วเกิดเฉลียวใจแบบวบว่าโกรธนี่ยนะมจะหลุดหมดเลยดับเพราะว่าอากุศลคือโทสะเนี่ยจะเกิดร่วมกับสติไม่ได้สติเป็นฝ่ายกุศลกุศลกับอกุศลเกิดพร้อมกันไม่ได้เหมือนเกิดแสงสว่างขึ้นมาความมืดต้องหายไปแต่เราก็มาบ่นว่าเนี่ยทำไมรู้อยู่นะว่าโกรธแต่ก็ ยังโกรธอยู่ทำไมไม่หายแบเหมือนสลัวสลัวไม่มืดไม่สว่าง <laughs> เพราะมันยังอยากอ ย, กอยู่สติของเราเลยไม่ใช่สัมมาสติตัวจริงเป็นยังเกือด้วยความอยากตอนั้นจะเป็นมิจฉาเรื่องไม่มีสติดีกว่ะ <laughs> จริงๆเรามิจฉาสติที่ทำกันทุกวันนี้ก็มิจฉาสติเยอะสมาธิก็เป็นมิจฉาสมาธิ ความคิดความเห็นที่เอามาปฏิบัติก็เป็นมิจฉาทิฐิอย่างเป็นต้นว่ามีความโกรธเกิดขึ้นมาจิตโกรธจะแก้ยังไงถ้าแก้ยังไงนี่เรื่องของสมถะถ้าคิดว่านั่งแก้ความโกรธเป็นมิจฉ า, า, าทิฐิแล้วคือมีทฤษฎีที่ผิดจะทำกรรมฐานในฝันได้ยังไงมิจฉาทิฐิเพราะตอนหลับนั้นไม่มีสติ ไม่มีสติรู้รูปรู้นามไม่ได้ทำกรรมาฐานไม่ได้หรือสติสติต้องเกิดเองมันเกิดขึ้นมาเพราะเราจำสภาวธรรมได้แม่นที่เราจำรูปยืนเดินนั่งนอนได้เราจำสุขทุกข์กุศลอกุศ ล, ล, ลได้เพราะอะไรปรากฏเนี้ยสติจะเกิดเองสติประเภทอยู่ๆก็เอาไปจ้องเลยนั่งจ้องนั่งกำหนดนี่ไม่ใช่ตัวสัมมาสติ สมาธินะก็คือความตั้งมั่นของจิตหมายถึงจิตไม่หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสมาธิที่พวกเราชอบทำนะั้นเป็นสมาธิหลงๆนั่งให้เคลิมนะนั่งเอาเคลิม้มวันไหนเคลิ้มได้ถือว่าดียิ่งพวกนั่งสมาธิตอนก่อนนอนนะเปิดเทปไปด้วยแล้วก็เคลิม้มแบบสมาธิดีพวกนี้ไม่ได้เรื่องนะยิ่งฝึกโมหะให้มากขึ้นเรื่อยๆเราต้องฝึกให้รู้สึกตัวไว